แนะนำบทอัลหะดิษบทนี้เป็นบทมาดานิยะมียี่สิบเก้าองค์การที่ให้การสนใจต่อการตราพระราชจำยัดการอบรมและการชี้แนะการสร้างสังคมอิสลามให้ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งหลักการศรัทธาที่บริสุทธิ์และมรญญาตอันดีงามบทอัลหะดิษได้กล่าวถึงเรื่องสําคัญสําคัญสามเรื่องกล่าวคือหนึ่งจ ก, ะกะวาลทั้งมวล น, นั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างและผู้ประดิษฐ์ ผู้บริหารตามที่พระองค์ทรงประสงค์สองจำเป็นต้องเสียสละชีวิตและสิ่งมีค่าเพื่อเชิดชูศาสนาของอลัลลอฮ์สว่าท่าพ่อแท้จริงของโลกนี้ว่าไม่มีสาระปราศจากแก่นสารและเป็นสิ่งที่ลวงตาเพื่อมิให้มนุษย์หลงระเริงต่อมันบทได้เริ่มในการกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้สร้างทุกสิ่งในจักรวาลเช่นต้นไม้ก้อนหินมนุษย์สัตว์ แร่ธาตุต่างๆย่อมแท้ซ้องสรุปีต่อพระองค์ทุกสิ่งจะกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของพระองค์ต่อจากนั้นได้กล่าวถึงลักษณะอันงดงามของอัลลอฮ์และบรรดาพระนามอันสูงส่งของพระองค์พระองค์ทรงเป็นโดยไม่มีเริ่มต้นทรงท้ายสุดโดยไม่มีอวสานทรงปรากฏตัวด้วยร่องรอยแห่งสิ่งที่ถูกสร้างมาของพระองค์ทรงซ่อนเร้น สิ่งที่ไม่มีผู้ใดรู้ถึงธาตุแท้แห่งข้อแท้จริงของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงสร้างมนุษย์และผู้กําหนดจัดเตรียมจักรวรรดิองค์การต่างๆต่อมาได้เรียกร้องเชิญชวนบรรดามุสลิมให้เสียสละมีใจกว้างขวางและบริจาคในทางขอรรเอเพื่อให้บรรลุสู่ความมีเกียรติและความสูงส่งแห่งกิจการอิสลามดังนั้นจําเป็นแก่ผู้ศรัทธาที่จะต้องต่อสู้เสียสละด้วยชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ได้มาซึ่งความสันติสุขในโลกนี้และผลตอบแทนในโลกหน้าบทนี้ได้กล่าวถึงผู้ศรัทธาและพวกกลับกรอกสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นแสงสว่างได้ฉายออกมาข้างหน้าและรอบๆตัวของพวกเขาส่วนพวกกลับกรอกนั้นก็จะคลาหาทางในความมืดเช่นเดียวกับที่พวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้คล้ายกับเดรฉ า, านที่อยู่ในความมืดแห่งอวิชชาความผิดพลาดและการหลงทา บทนี้ได้กล่าวถึงข้อเท็จริงของโลกนี้และข้อเท็จจริงของปรโลกและได้วาดภาพของโลกทั้งสองไว้อย่างละเอียดโลกนี้เป็นที่สูญสลายไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเสมือนกับพืชพันธุ์ที่ิุดงสมบูรณ์ซึ่งได้งอกเงอยอย่างเต็มที่เมื่อได้รับน้ําฝนแล้วมันจะมีสีเหลืองเหี่ยวแห้งร่วงโรยจนกระทั่งกลายเป็นเศษชิ้นไร้คุณค่าเมื่อลมพัดมามันก็ กระจัดกระจายปลิวไปตามสายลมส่วนพระโลกนั้นเป็นโลกแห่งความเีรังคงอยู่ตลอดไปไม่มีความเหน็ดเหนื่อยและความยากลําบากไม่มีความทุกข์ยากและความกังวลใจบทนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงเป้าหมายของบรรดาศาสนาทูตท้ายมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์และให้จเจริญรอยตามแมวทางที่ถูกต้องของบรรดาศาสนาทูตและบรรดานับีของโพรงบทนี้ได้ถูกขนานนามว่า บทอัลหัดิศเพราะได้กล่าวถึงเหล็กในบทนี้ซึ่งมันเป็นพลังของมนุษย์ในยามสงครามเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการปอสร้างอาคารบ้านเรือนเหล็กนำไปใช้ในการสร้างสะพานและตึกรามบ้านช่องเหล็กใช้สําหรับทำโล่ดาบและหอกและนําไปใช้ในการทํารถถังเรือดำน้ำําปืนใหญ่และอาวุธอื่นๆ อ, อ, อีกมากมายบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์ม ด้วยพระนามของ a ลอ a h ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแท้สองสะดุดีแด่ลลอ a h และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ อำนาจเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์พระองค์ทรงให้เป็นและทรงให้ตายและพระองค์เป็นผู้ทรงเดชารุภาพเหนือทุกสิ่ ง, งพระองค์เป็นองค์แรกและองค์สุดท้ายและทรงเปิดเผยและทรงรียรับ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من ا ل س م ا ء ا ت وما يعرض فيها. า่ัพระาทวกคุณมองคือผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในระยะเวลาหกวันและพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์พระองค์ทรงรู้สิ่งที่เข้าไปในแผ่นดินและสิ่งที่ออกมาจากแผ่นดินและสิ่งที่ลงมาจากฟากฟ้าและสิ่งที่ขึ้นไปสู่ฟากฟ้าและพระองค์ทรงอยู่กับพวกเจ้าไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่ณแห่งหนใด แล้วอัลลาะนั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทแล้วุมุลกุสซมาวาติวัลอฎและอลัลลอฮิตูรจะอุอมูอํานาจอันเด็ดขาดแห่งบรรดาชั้นฟ้าและผืนดินนั้นเป็นสิทธิของพระองและการงานทั้งหลายถูกนํากลับไปยังอัลลาะเท่านั้นยูลิญุลไลละนนะฮาวะยูริญุญนะฮาฟิลไลล พรงทรงให้กลางคืนเข้าไปในกลางวันและทรงให้กลางวันเข้าไปในกลางคืนและพรงเป็นผู้รู้สิ่งที่อยู่ในสวง อ, อกอมิลลลสีมมมาจัาลลัคุมมุสตัคลฟิลบนคุมว พวกเจ้าจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และจงบริจาคในทางของอัลลอฮ์จากสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้พวกเจ้าเป็นตัวแทนของมันดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้บริจาคในหมู่พวกเจ้านั้นสำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ م م และเช่นไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ศรัทธาต่อหลอทั้งๆที่ทรอซูลได้เรียกร้องให้พวกเจ้าศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและแน่นอนพระองค์ได้ทรงเอาสัญญากับพวกเจ้าแล้วหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา วลลีียนนนนจอาบิิิพระองค์เป็นผู้ประธานองค์การัลนชัดแจ้งลงมาแก่มุฮัมหมัดเบาวของพระองค์เพื่อนำพวกเจ้าออกจากบรรดาความมืดสู่ความสว่างและแท้จริง อัลลอฮนั้นเป็นผู้ทรงเอนดูผู้ทรงเมตตาเสมอต่อพวกเจ้า และฉะนั้นเล่าพวกเจ้าจึงไม่บริจาคในทางของอัลลอฮ์ทั้งๆที่มรดกแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้เป็นของอัลลอฮ์ย่อมไม่เท่าเทียมกันในหมู่พวกเจ้านั้นมีผู้บริจาคและได้ต่อสู้ในุทางของอัลลอฮ์ก่อนการพิชิตนครมักกะ ชนเหล่านั้นย่อมมีฐานะสูงกว่าบรรดาผู้บริจาคและต่อสู้ในแนวทางของอัลลอฮ์หลังจากพิชิตนครมักกะแล้วลอได้สรงสัญญาความดีงามสวนสวรรค์แก่ทั้งสองฝ่ายแล้วลอ้นั้นส่งราบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำใครคือผู้ที่อัลลอฮ จะให้ยืมบริจาคในทางของร้องด้วยการยืมที่ดีแล้วพระองค์ก็จะทรงเพิ่มผลบุญแก่เขาและเขาจะรับรางวัลอันมีเกียรติคือสวนส ว, นวร uh um รค์ ววันที่เจ้าจะได้เห็นบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงรัศมีของพวกเขาจะฉายแสงณเบื้องหน้าของพวกเขาและทางเบื้องขวาของพวกเขาจะมีเสียงกล่าวว่าวันนี้มีข่าวดีแก่พวกเจ้าคือสวนสวรรค์อันหลากหลายมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظُرُونا ظ ُ ر و ن ا نقتبِس من نوركم قل ي ا ر ج ع و ا رأكم فلتمسون و راء فضرب بينهم بسور الله ب ا ب د บบ ه ه วันที่พวกกลับกรอกชายและพวกกลับกรอกหญิงจะกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าจงมองมายังเราเถิดเพื่อเราจะรับแสงสว่างของพวกเจ้าด้วยจะมีเสียงกล่าวว่าจงหันหลังกลับไปทางข้างหลังของพวกเจ้าเพื่อสแสวงหาแสงสว่างเอาเองขนาดนั้น ก็จะมีกำแพงที่มีประตูบานหนึ่งมาขวางกั้นระหว่างพวกเขาด้านในของมันนั้นมีความเมตตาและด้านนอกของมันด้านของพวกกับปอกมีการลงโทษ ว่ารับตุมวรบ ب ุมและดัตุมอลอามานีอุหแต่เจ้าอัมกรุลลาห์ักรรตุบิลลาห์อัลกรรุบิลาห์อัลกรับิาอัลกรรบลาองเรรยกเขาทั้งหุลายบกรรดาหา์อัลกรรุาห์อักรรตมบาห์อัลกรรตุบาอกรรตุบาหอักบหอลกาหัลกหรลาหักลาห์่ักรรอน แต่ว่าพวกเจ้าได้ทำลายตัวของพวกเจ้าด้วยการกลับกรอบและพวกเจ้าคอยสิ่งที่เกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ศรัทธาและพวกเจ้าสงสัยในเรื่องของาศาสนาและความหวังที่เลื่อนลอยได้หลอกลวงพวกเจ้าจนกระทั่งพระบัญชาของอัลลอฮ์ได้มีมาและมันไทตอนได้ล่อลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลลอฮ์ <S <S มดังนั้นวันนี้การไถ่าบาปจะไม่ถูกรับจากพวกเจ้าและจากบรรดาผูษษษษ้ปฏิเสธศรัทธาที่พำนักของพวกเจ้าคือไฟนรกมันเป็นสถานที่อันเหมาะสมแก่พวกเจ้าและมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่ง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 สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่ ว, วิจัยของพวกเขาจะนอบน้อมต่อการระลึกถึงมารวมและสิ่งซึ่งได้มีลงมาคือความจริงและพวกเขาอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ทีรับคำทีมาก่อนนี้แล้วช่วงเวลาได้เนิ่นนานเกินไปแก่พวกเขาดังนั้นจิตใจของพวกเขาจึงได้แข็งกระด้างและพวกเขาส่วนมาก พึงทราบเถิดว่าแท้จริงอลัลลอฮ์นทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากที่มันแห้งแลง้งแน่นอนเราได้ทำให้สัญญาณทั้งหลายแจมแจ้ง แ, แก่พวกเจ้าแล้ว เพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญาให้ถูกอินนัลมุศลัดติ้นและมุศลัดติ์ะอักรดุลลอฮฺข้อนึ่ง حسن แะอักรดุลลอฮฺข้อน حسن ียุดาอักุลฮฺมวลละมุลอัจร์นคริมบรรดาผู้บริจาคชายและบรรดาผู้บริจาคหญิงและพวกเขาได้ให้อัลลอฮยืม บริจาคในทางขอระองด้วยการยืมที่จะมีผลบุญเพิ่มให้แก่พวกเขาและสำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอันมีเกี่เอนัลลอกีนอามยนูบิทักษ์และผู้ี่เป้พิทะเป็ู้ิทักษ์และีู่้พักษ์และเป็นผู้พิทักษูนผู้พิทักษ์ิมละ่เูัะนู้พมวัลละีนูกแะเูิักษะูินา และบรรดาผู้ศรัทธาเกาะล็อกและบรรดาหลอดซูลของโกล์ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้สัจจริงและเป็นผู้เสียสละชีวิตหน้าที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาสําหรับพวกเขาจะรับรางวัลของพวกเขาและแสงสว่างของพวกเขาส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธองค์การต่างๆของเราชนเหล่านั้นเป็นชาวนรกล أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الخفر ا نباته ثم يهيج فتره ا مصفرا ทุ่มมียิย่งเจ้าเจ้าจะรู้ม خ สลิมทุ่มมียังคงผุดตามาว่าในอัลฮัรรต์อาดับอันชัดดูและอัลลอฮาและริบอัลแจรมงการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใชยอย่อื่นใด เว้นแต่เป็นการละเล่นและการสนุกสนานร่าเริงและเครื่องประดับและความโอ้อวดระหว่างพวกเจ้าและเป็นการแข่งขันกันสะสมทรัพย์สินและลูกหลานเปรียบเสมือนดังน้ำฝนที่การงอกงามของพืชผลยังความพอใจให้แก่เกษตรกรแล้วมันก็เหี่ยวแห้งเจ้าเห็นมันเป็นสีเหลืองแล้วในที่สุดมันก็จะกลายเป็นเศษชิ้นแห้งส่วนในประโลกนั้นมีการลงโทษอย่างสาหัสและมีการอภัยโทษ และความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และการมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อืน่นใดนอกจากความสุขที่หลอกลวงเท่านั้นซาบิกุุุุุุุุุุิุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุนุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุอุุุุุุดดุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุิุุุ ลลลลจงเร่งรีบสู่การขอไพร่โทษจากพระผูบบ้อภิบาลของพวกเจ้าและสวนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันประหนึ่งความกว้างของชั้นฟ้าและแผ่นดินซึ่งถูกจัดเตรียมไว้สําหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซู่ของโพรนั่นคือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วล่อนั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ม่อาซอมินมุซีบะที่ในอบดว่าละีอันฟุสิคุมอิลลาฟีขิตาบอิลลาฟีขิตาบิมมินกบลิอันนบรเอฮาอินนดาบิกะลลอฮิยาซีบ และจะไม่มีครอบกรรมอันไดเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้และไม่มีแม้แต่ในตัวของพวกเจ้าเองเว้นแต่ได้ถูกบันทึกไว้ก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมาแท้จริงนั่นมันเป็นการง่ายสําหรับอ AH. ัลเลาะห์니카이라타ซาวะอะลามาตาตคุมวะลาตัฟเราะฮูบิมาอาตาคุมวัลลอฮูลายุฮิบบุกุลลมุคตาริฟคุ เพื่อพวกเจ้าจะได้ไม่ต้องเสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าต้องสูญเสียไปจากพวกเจ้าและไม่ดีใจต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเจ้าและอลรวนั้นไม่ทรงชอบผู้หญิงยะโสและผู้คุยโวโ อ, โอ้วน a l l a d i ะ a y a ย a l o o n wa yamrun annas า i l b u q h i wa ะ a i y a t a w l ละ i n คือบรรดาผู้ตระี่และสั่งสอนคนให้ตระีและผู้ใดที่ผิดหลังให้แท้จริงอัะนั้นทรงพอเพียงและทรงได้รับการสรรเสริญและวข้าพเจารุ่งเรรุ่งเนเบลเบยนกเวอแนเซลน่ามะฮุมุลฟิตาบะวัลมีซานบิยมคนนัสบิลกิสตว โดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตของเรามาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง และเราได้ประทานคำทีและความยุติธรรมลงมาพร้อมกับพวกเขาเพื่อมนุษย์จะได้ดำรงอยู่ในความเที่ยงธรรมและเราได้มีเหล็กขึ้นมาเพราะมันมีความแข็งแกร่งมากและมีประโยชน์มากมายแก่มนุษย์และเพื่ออัลลอ์จะได้ทรงรู้ถึงผู้ช่วยเหลือพระองค์และศาสนาทูตของพระองค์โดยทางลับแท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงอำนาจ ด ا إ โดยแน่นอนเราได้ส่งนัวและอิบราฮีมาและเราได้ทำให้ลูกหลานของเขาทั้งสองเป็นนบีและเราได้ประทานคำทีมาให้ ดังนั้นบางคนในหมู่พวกเขาก็เป็นผู้ที่อยู่แนวทางที่ถูกต้องแต่พวกเขาส่วนมากก็เป็นผู้ฝ่าฝืนุฟยนอาาาฮบรุสลนาวกฟยนบิสบินมรยมวะอนาุลอิจลวะจนากลูบิลดีนัตตบรฟวะรัม و ر ه ب ا ن يتنبّت دعوها ما كتبناها عليهم إلا بترضٍ رضوان الله فما رعوها ح َّ ر ع ي ِ ه ا ف آ ت ي ن ا الذين آمنوا منهم أجراهم ف آ ت ي ن ا الذين آمنوا منهم أجراهم وكافرٌ منهم فاسقون และเราได้ส่งบรรด า, าศาสนาพุทของเราติดตามร่องรอยของพวกเขาและเราได้ส่งอีซาบุตรของมารยามตามมาและเราได้ประทานคำที์อินยืนให้แก่เขาและเราได้กำหนดความสงสารและความเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่ปฏิบัติตามเขาส่วนการถือสันโดษนั้นเราไม่ได้บัญญัติขึ้นมาแก่พวกเขาเว้นแต่พวกเขาประดิษฐ์มันขึ้นมาเพื่อสแสวงหาความโปรดปรานของเราแต่พวกเขา ไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรแล้วเราได้ประทานรางว friend, ัลของพวกเขาแก่บรรดาผู้สัทธาในหมู่พวกเขาแต่พวกเขาส่วนมากเป็นผู้ฝ่าคุณยาอฮัลลดีนอามนุตตกล้าวะอามินูบิรสูลิ้ยุทิคุมกิฟลัยมิมิรรร حم ติ้ว่ายจ عل ละคุมนูรันทัมชูนบิฮีว่าย غ ฟิรละคุม ออลลโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยังเกรงอัลลอฮ์และจงศรัทธาต่อศาสนาทูตของพระองค์เถิดพระองค์จะทรงประทานความเมตตาของพระองค์ให้แก่พวกเจ้าเป็นสองเท่าและจะทรงให้มีแสงสว่างแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ดำเนินชีวิตและจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าและอลอ้นนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ เพื่อช عد, าวคัมภีร์จะได้รู้ว่าพวกเขาไม่เีอยมนาจเหนือสิ่งใดในความโปรดปานของอัลลอฮ และแท้จริงความโปรดปรานนั้นอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ทรงประธานมันเท <Hey. S 1> ซึ่งพระองค์จะทรงประทานมันแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แลลอันนั้นเป็นผู้ทรงกรุณาอย่างใหญ่หลวง